ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใตลรมประโพธิญาณในวันนี้ก็กำลังบระลบถึงวิหารธรรมคือธรรมะที่เป็นเรือนใจเป็นหลักใจซึ่งประโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้ดสัตรู้ได้ส่งใช้เป็นปกติเราก็พูดมาในจบในช่วงของเขาเรียกว่าตรงนั้นที่จริงเขาเรียกว่ากายานุปนะัสสนาถ้าเรือตั้โครงสร้างของสติบัตถาน แล้วก็มาถึงสมมติว่าเกิดปิติปิติเขาเรียกว่าสัมเนียกคือหมายความมาใช้สัมมจัญญาสติสัมมจัญญะเนี่ยพิจารณาระลึกรู้เรียกระลึกรู้สัมเนียกว่านี้คือปิติมันเป็นผลแต่ไม่ใช่เป้าหมายก็รู้ว่ามันปเป็นเป็น็นนเปิปติแต่นั้นไม่ต้องไปติดมันนะฮะไม่ต้องไปติดมันไม่ต้องเพลินเพลินกับมันจากนั้นก็ เธอย่อมทําการสำเนีบฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้รู้สึกพร้อมซึ่งสุขสุ ข, สขก็เวทนาเหมือนกันนะฮะสุขก็เป็นเวทนาเหมือนกันที่มันปรากฏขึ้นทางจิตทางกายก็ได้ทางจิตก็ได้นะฮะเพราะว่าสุขนั้นถ้าเราเรียกในเวทนาสามก็ทั้งกายทั้งจิตแต่เรียกเวทนาห้าก็เอาเฉพาะกายโสมณัตก็ดูเฉพาะจิตก็แล้วแต่แล้วแต่จะพูดนะฮะจริงๆ แม้เราไปภาษาในการสื่อสารแต่ว่าการจดดูเราก็ดูว่าสุกมันเกิดที่ไหนล่ะก็สําเน็กรู้ว่านี้คือสุกสุกมันก็เป็นเป็นทางผ่านอย่างหนึง่งไม่ใช่เป็นเนื้อหาสาระที่เราต้องการจากการเจริญกรรมฐ า, านแล้วถ้าคือตรงนี้ทั้งหมดหมายความว่าถ้าเขาเกิดนะฮะถ้ามันเกิดก็แล้วไปโดยต้องปกติแล้วการเจริญอนาป า, านสติเอาคนอยู่ในชุดแรกกันแหละ คือมีสติระลึกรู้หายใจเข้าออกยาวหรือสั้นก็ตามตอแล้วแต่ลมหายใจเข้าออกแต่ว่าเราก็ตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสั้นเรากำหนดรู้นะยาวาก็กาหนดรู้นั่นคือตัวเนื้อหาถ้ามันเกิดมันเกิดไม่เกิดก็แล้วไปไม่เกิดก็อยู่เฉพาะจงนั้นซึ่งว่าก็ตามความเป็นจริงพวกนี้ไม่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะ ถ้าไม่ชัดก็ไม่ต้องดูมันก็ไปอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วก็แม้จะชัดนะฮะก็อย่าไปยึดติดมันก็บอกต่อไปว่าเราย่อมเธอย่อมทำการสำเนียบฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้รู้สึกพร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารใาใจเข้าอยู่เราจะเป็นผู้รู้สึกพร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารใาใจออกอยู่ขำว่าจิตสังขารนั่นคือสัญญากเวทนา แต่ว่าตัวการจริงๆคือเวทนาซึ่งมันปรากฏอยู่ในขนาดนั้นๆนนะเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะฮะเป็นเวทนาในมาสติปฐานท้งสอนตั้งกนะ้านี่ยแต่เราอย่าไปเอาขนาดก้าเลยเอาสุขทุกข์ทุกขมาสุขก่อนเอาสาอย่างนี้ดูดูทาให้ได้สมอย่างก่อนเพราะถ้าไปเอาละเอียดตั้งก้าวอย่างนั้นก็ทายากปฏิบัติยาก ทำยังไงว่าให้รู้ว่ามันสมมติว่สุขเวทนาก็สักแต่ว่าสุขเวทนาทุกเวทนาก็สักแต่ว่าทุกทุเวทนาอทุกกรรมสุขเวทนาก็สักแต่ว่าทุกกรรมสุขเวทนาสิ่งตรงนี้เกิดขึ้นแล้วแกเราแต่มันก็เป็นสังขารธรรมทั้งหลายนะ่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็เป็นธรรมดาของมันกระทั้งนั้นเองไม่ได้ติดใจใส่ใจแม่ความสําคัญแกเรื่องเราแน้นอนในข้อต่อไปก็บอกว่า เธอย่อมทําการสําเนียบฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้รู้สึกพร้อมซึ่งจิตหายใจเข้าอยู่ให้ดูที่จิตตอนนี้จิตเนี่ยก็หมายความว่าจิตเราเนี่ยมันจะตามปกติจิตที่เด่นเนยนะคือกุศลนกุศลมันจะมีกุศลนกุศลขึ้นปรุงจิตเช่นจิตมีราคากรุ๊บจิตมีราคาไม่มีราคากรุ๊มีราคามีโทสะก็รุ๊มีโทสะไม่มีโทสะกรุ๊ไม่มีไม่มีโทสะ แต่ว่าถ้าจิตมันอยู่ฝ่ายกุศลเราก็ประคองไว้ทํานองคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆเราขับรถอะ่ะคือถ้ารถมันไปตรงทางพอดีก็จะพร่ง ม, มาไหลธรรมด า, รรมดาก็ประคองมาเดินไปตรงทางทีนี้ถ้ามันเฉลบไปซ้ายไปขวานะฮะก็หมุนพุอมาไหมากหน่อยแต่ว่าก็สรุปว่าถ้าจิตเขาเดินไปตามทางของเขาก็เรารู้จิต เพจิตมันจะเปลี่ยนแปลงนะฮะจิตมีราคะบ้างมีโทสะบ้างไม่มีบ้างนะฮะก็สรุปมีกิเลสบ้างมีธรรมะบ้างพวกง่ายงั้นนะอ่ะส่วนที่เป็นอทุกกรรมสุขนั้นมันเป็นอาการของเวทนาแล้วก็ตามปกติท่านก็ไม่ได้สอนให้ดูนะฮะสอนให้ดูพวกเนี้ยไปจนถึงเป็นสมาธิไม่มีสมาธิจิตเป็นใหญ่ไม่เป็นใหญ่จิตเป็นมากะตะไม่เป็นมากะตะก็ว่าไปเรื่อย แต่เขาต้องเกิดนะฮะมายความมาจิตก็ปรากฏอย่างไงเราก็ดูพขอย่างนั้นแต่เขาไม่ปรากฏก็แล้วไปก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแล้วก็มีหน้าที่ไปอยู่ตรง น, นั้นไปอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกแล้วข้อต่อไปสมมติว่านะฮะสมมติว่ามันเกิดไปมีปราโมทขึ้นจิตมันเกิดปราโมทเพื่อเอึบอิ่มดื่มดมอยู่ในธรรมะอยู่ในความสงบ เราก็สำเนียกเรียนรู้ว่าเวลาเนี้ยจิตกำลังมีประโมุแต่ก็ไม่ใช่กำหนัดเพื่อเพลินนะไม่ใช่สยบติดเพียงแต่ว่ามันเป็นกุศลกุศลก็รักษาให้จิตมันคงความประโมทเอาไว้คือสรุปว่าเป็นอย่างเงี้ยก็เรียกว่ากั้นจิตห้ามจิตประคองจิตยกจิตก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าจิตมันเป็นยังไงสมมุติว่าจิตมันตกไปทางอากุศล ฟอหดผู For, what, ซึมเศร้าไม่มีกำลังใจที่จะทำเราก็เตือนจิตตัวเราเองก็เรียกว่าตนเตือนตนต น, นั่นแหละก็สวดสดสวดเอ้ยจิตอย่างนี้ไม่ไหวแล้วแล้วก็ให้นึกไปนึกเรื่องอื่นนึกถึงคนนึกถึงอะไรแต่ไรเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังลองผิดลองถูกก็ไม่ใช่ว่าจะ ร, รู้ได้ ท, ทันทีทันใดเพราะพระพุทธเจ้าเองท่านไม่รู้เดยซ้าไปนะว่า ทางแท้ๆอยู่ตรงไหนก็ต้องค้นคว้าทดสอบทดลองกันเป็นอันอกอก น, นันแต่เราเองเนี่ยยังไงยังไงเราก็รู้อยู่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วก็เดินไปตามที่พระองค์สอนไว้ก็พอแล้วพระเจ้าก็เดินให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะฮะตรงนี้ที่จริงปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างเป็นวิหารธรรมซึ่งปรากฏอยู่ภายในจิตทีนี้สมมติว่าเวลานั้นนะจิตมันเกิดตั้งมัน่น ต, ตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิก็ดูที่ความตั้งมั่นของจิตแล้วก็พยายามรักษาความตั้งมั่นตรง น, นั้นเอาไว้ให้นานที่สุดเพราะนั่นคือกุศลรักษาจิตตอนนี้ก็รักษาจิตรักษาความตั้งมั่นซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตเอาไว้ทีนี้บางทีเนี่ยจิตมันมันรู้สึกสละละหวางสละกกิเลสคือเริ่มจะจางคลายกิเลสตอนนี้ที่จริงเข้าไปสู่พวกกลุ่มของ ธรรมะแล้วนะฮะจิตมันเริ่มจางเริ่มคลายนะฮะเริ่มคลายจากกิเลสลงไปเราก็พยายามที่จะคลายไปเรื่อยรักษาอาการจางคลายของกิเลสไปเรื่อยทีนี้ถ้าเกิดปัญญามันเกิดแหลมก็มองเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเกิดดับฉีเย็บนั่ที่จริงพวกนี้มันเวลาเราสัมผัสจริงๆเขาเกิดให้ดูเขาเกิดช่วยด้วยนะก็มีอะไรให้ดูให้ช่วย บางคนเนี่ยเห็นที่มือตัวเองเนี่ยฮะเป่วยร่วงคล้ายๆกับน้นําแข็งถูกแดดร้อนจัดแต่มันละลายอเห็นการเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแปรผันก็สิ่งทั้งหลายก็ดูที่ความไม่เที่ยงตัวนี้เป็นอารมณ์ไม่ปัจ น, นาล้วแต่ใความไม่เที่ยงที่ปรากฏที่ปรากฏเนี่ยลักษณะไหนละ่ะที่มัเกิดขึ้นตังอยู่ดับไปเห็นชัดไหมก็ดูเกิดขึ้นตังอยู่ดับไปเกิดขึ้นตังอยู่ดับไปเราก็แยกให้เห็นชัดเลย ว่าเป็นอาการเลื่อนไหลาสามจังหวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตังอยู่ดับไปหรือดับดับดับหรือเกิดดับกระดับนะฮะกระดับกระดับก็ตรงกลางไม่ต้องดูตั้งอยู่เลยไม่ต้องดูที่จริงมันเกือบจะไม่ตั้งอยู่เลยทั้งไปนะะมันตั้งอยู่เป็นขณะปุ๊บเดียวแต่เน่งก็ดูไม่ทันหรือ ว, ว่าดูที่เฉพาะเฉพาะที่มันดับดับดับดัดับก็คล้ายๆก็ดูอะไรล่ะดูบ้านพังดูน้ําตกจากที่สูงเนี่ย มันมีระดับๆๆๆคือไหลลงไปเรื่อยๆหรือบ้านเรือนที่กำลังถูกไฟไหม้เนี่ยมันมันมันพังไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นอาการจางคลายของกิเลสถ้ามันจางคลายเราก็ประคองจิตรักษาอาการจางคลายเหล่านั้นเอาไว้เดี๋ยวที่บางทีเกิดนิโรธาเลยดับดับตรงเนี้ยจริงๆมันก็ดับดับระดับสมาธินะฮะดับก็เรียกวิคัมพะณะ อหารคือละได้โดยการดับกิเลสไว้ชั่วคราวเป็นวิคัมพนาวิมุตติคือจิตมันหลุดพ้นจากกิเลสไปชั่วคราวตรงนี้ก็พยายามรักษาอยู่รักษาจิตทีนี้ถ้าหากว่ามันเกิดสลัดกลับหลังคือจิตมันเกิดพลิกกลับเราก็ดูแล้วก็ดูวันพลิกกลับไปดีหรือไม่ดี ถ้าไม่ดีเราก็ดึงกลับมาสู่ที่ดีถ้าดีก็ไม่ได้ว่าอะไรคือสรุปว่าเป็นวิธีการฝึกรักษาจิตก็ทรงสรุปไว้ในตอนสุดท้ายอว่ามองภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลจเจริญทำให้มากซึ่งอนาปานสติสมาธิทุกอย่างนี้แล ความหวันไว้โยกโครงแห่งกายหรือความหวันไว้โยกโครงแห่งจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ดังนั้นก็รับสั่งเล่าย้อนประวัติศาสตร์เลยตอนแรกสอนภิกษุนะฮะตอนแรกสอนภิกษุก็เอานาปานาสติมาสอนอยังคราวพระภิกษุที่จําำรรษาริมฝั่งแม่น้ําบกุมุทาตอนนั้นพระเจ้าทรงแสดงกายกตาสติ เคยมองเห็นร่างกายเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกโดยสีโดยสันธารโดยกลิน่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่อะไรต่างๆเนี่ยท่านเจริญกรรมฐานผิดไปตเตลิดเลยงอง ข, ข, ข, ขอยะขยงในร่างกายจนรังเกียรระอาแล้วก็ไม่กล้าจะต้องร่างกายจะต้องจ้างคนให้ฆ่าตัวเองนะให้รางวัลอะไรอะไรเขาช่วยฆ่าตัวหรือว่างกันและการให้ฆ่ากันอะไรปล่อยกันใหญ่เลย กว่าพระเจ้าเสด็จออกมาได้เนี่ยพระก็ตั้งคนค่าตัวเองตายกันเยอะแล้วก็ให้เพื่อนช่วยฆ่าให้อะไรต่ออะไรเนี่ยเกิดเบื่อหน่ายเกิดระอาเกิดจิงชังเกิดไม่อยากอยู่อ่ะมันเหมือนก็บศพซักศพมาแขวนอยู่ที่ตัวมันรูหน้าเกลียดปฏิกูลขยะขยงก็รานพวกนี้เล่นยากบางทีเนี่ยมันพอไปทาเข้า ในสมัยที่อาตมาบวชใหม่ๆตอนนั้นเราก็จเจริญนาปาลสตินิยมคนหนึ่งแกไปเจริญกายยกราสติโอ้ยกว่าจะแก้กันได้แล้วมาก็บวชใหม่แก้ไม่ค่อยเป็นด้วยโอ้ยยุ่งจังเลยแกเห็นศพนี่อลังชอางเลยนะมองอึดดึดดึดดึดเนียเห็นแล้วมันลุกขึ้นมาหมูน่ากลัวมากเลยเสร็จแล้วก็ตกใจ ที่จริงไม่ะ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรเป็นนิมิตเฉยๆคืออารมณ์เนี่ยมันช่วยมาช่วยทําให้เราเห็นคล้ายๆกับที่ประยาศาสท่านเห็นเสาสันกับนันในใ น, ใ น, ในปราสาทเหมือนกับซากศพที่ทิ้งอยู่ในป่าชาพระพุทธเจ้าเราก็เห็นนั่นนะพวกนี้มันจะขึ้นมาช่วยเป็นบารมีธรรมของเราที่ทําให้เราเห็นอย่างนั้นแทนที่จะได้ประโยชน์อะโยมแก่แก่กูผี เลยก็กว่าจะแก้กันได้เนี่ยมันต้องคน้นหนังสือเราก็บวดใหม่ต่นนั้นทําอะไรไม่เป็นนะ่ะราะว่าก็อยากจะอยากจะทำต่นนั้นเองกว่าจะแก้กันได้ก็นานเอ่อก็รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายแม่เราเองก็เหมือนกันในการก่อนแต่การจัดสรุยังไม่ได้จัดสรุยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมคือนาปานาสติสมาธินี้ เป็นส่วนมากเ่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากกายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปาทานนี่หมายความว่าตอนนั้นแล้วนะฮะตอนตอนตอนในช่วงตอนหลังแต่ว่าการหลุดพ้นบางอย่างเนี่ยมันเป็นการหลุดพ้นแบบสยบเรียกวิคัมพนาวิมุตติวิคัมพนาปะหารเนี่ยตรงนี้ยเป็นเป็นเป็นผลของฌาน เป็นการหลุดพ้นรับชางก็หลุดพ้นได้นะฮะแต่ก็เรียกว่าปรุงนี้กำเริยบได้คือสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ทีนี้พระองค์ก็รับสั่งเล่าไปเลยไปจนถึงตอนพระองค์ได้สัสรูอนุตตรสมาสัมปทิยาณ น, นะว่าภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกษุหวังว่ากายของเราก็อย่าลำบากตาของเราก็อย่าลำบาก จิตของเราก็จงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีประทานเกิดดังนี้แล้วภิกษุนั้นจงทําในใจในอนนาปานสตินี้ให้ได้เป็นอย่างดีคือจเจริญณนนาปานสติเนี่ยเราลองสังเกตวัตสายของพระอาจารย์มั่นเนี่ยจะอาวนาปานสติควบกับพุทธานสติของอาจารย์สดหลวงพ่อสดเนี่ยท่านใช้พุทธานสติควบกับกสิน ออของวัดมหาธาตุเนี่ยที่จริงมันเป็นแนวสัมปญัญญาปปะพระแต่ท่านเอาหนอใส่เข้าไปคือระลึลกรู้รูปนามานะฮะย่ยางหนอเหยียบหนอยกหนอยืดหนออะไรต่อะไเนี่ยก็ตั้งสติตามไปแต่ยังนึกไม่ออกนะท่านเรียกวิปัสสนาก็แสดงว่าดูที่การเกิดดับหรือยังไงก็ไม่รู้พอลักษณะแล้วมันตั้งสติระลึลกรู้มันน่าจะเป็นสมาถะไปก่อน เนื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อพิจารณายความเกิดดับก็นำมารูปแต่ประเด็นสาคัญจุดตรงนี้นะฮะนาปานสติเนี่ยคือจะทำแบบไหนก็ตามพวกพวกนี้ควรพวกก็เรียกพวกสมถะจะทำยังไงก็ตามก็ข้อสำคัญให้นิวรณ์ห้าในสงบถ้านิวรณไม่สงบเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นสมาธิทีนี้บางทีมันสงบได้นิดนิดนะฮะ สงบได้ น, นีดก็ถือวเป็นคณิกะสมาธิเป็นสมาธิเป็นขณะๆไปแต่สมาธิระดับฌานเนี่ยที่จริงก็เล่นยากนะสามารถสัมผัสได้ ย, ยากแต่ถ้าสัมผัสได้เนี่ยมันเหมือนก็ได้ชิมชิมอาหารชิ้นโตๆนะฮะแล้วในที่สุดมันก็ปรารถนาที่จะรับประทานในมากกว่าเดิมคือต้องการในอิ่มมันจะกลายเป็นพลังผลักดัน เั้นเวลาเราสั่งถึงสมาธิรรบสั่งว่าทุกคนพิสูจนทั้งหลายทื่ทั้งหลายจ ง, ง, ยยงทำสมาธิให้เกิดทุกคนที่มีจิตเป็นสมาธิดันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงเหล่านี้เป็นวิหารธรรมที่ส่งใช้ส่งปฏิบัติแล้วก็ต่อไปก็ส่งเน้นให้พิกษุได้สนักในเรื่องเหล่านี้นะเพราะว่าพวกเรานี้จะสอนบ่อยอย่างที่บอกไป พิสูจนทั้งหลายในเรื่องนี้ถ้าภิสูจ์หวังว่าความคุ้นคิดอันเกี่ยวข้องไปทางย่าเรือนของเราจงหายไปอย่างหมดสิน้นดังนี้พิสูจนนั้นจงทำในใจในอนาปานาตติทั้งหมดหมายความว่ากิจมันวิ่งออกไปในแนวนิวร์ก็ได้ก็หนึ่งมีความรู้สึกว่าเราพึงเป็นผู้รู้อยู่ด้วยความรู้สึกว่าปฏิกูล ต่อสิ่งที่ไม่ปฏิกูลดังนี้แล้วพิกษุนั้นจงทาในใจในอนาปานสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดีหรือว่าในเรื่องพิสูจน์ต่งหลายในเรื่องนี้ถ้าพิกูจนหวังว่าเราพึงเป็นผู้อยู่ด้วยความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลต่อสิ่งที่ปฏิกูลดังนี้แล้วพิสูจนนั้นจงทาในใจด้วยอนาปานติก็ว่าไปเรื่อยๆนะฮะก็สรุปว่า อาณาภาณิชย์จะแก้กรรมฐานแก้แก้แก้แกิเลสได้สารพัดเป็นกรรมฐานที่ทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือว่าไอ้ก็จะคาดหวังระดับไปชานไปมรรคผลอะไรก็อาจจะยากหน่อยนะแต่ว่าทำยังไงให้ใจมันสงบจะน้อยจจิตได้พักนะฮะจิตได้สงบจิตได้พัก ตัวแนวของผู้สมาธิเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของจิตซึ่งถ้าสูญเสียพลังมากจิตก็ต้องพักผ่อนให้จิตก็ได้พักให้เขาได้สงบไปเขาได้เย็นให้เขาได้มีพลังในตัวเขาเองที่จะสลัดอารมณ์เล็กๆน้อยๆนะฮะอารมณ์ใหญ่ๆอาจจะสู้ไม่ได้เพราะอารมณ์เล็ก ๆ, ๆน้อยๆเนี่ยทำยังไงจะสลัดออกไปได้ก็เป็นปัญหาอย่างที่บอกเนว่า คือหนึ่งไดโทคุยกับลกูกศิษย์ก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดตัวต่างจังหวัดเราคุยกันเรื่องๆว่าบางทีคนเฒ่าคนแก่เนะี่ยก็อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้ตัวเองเนี่ย น, นั่งรถเข็นแล้วอย่างมุกเบนก ร, รมจริงๆนะทำไมนะมันเวญกรามอะไรกันนักหนาะทําไมถึงต้องไปอยากเป็นกำลังจะตายเนะี่ยทําไมอยากเป็นคือวันควรจะเป็นพระให้ดีที่สุดเนี่ยก่อนจะนั้นนั่นนะ จะทำยังไงว่าปล่อยวางให้หมดทุกเรื่องนี่ปลดภาระให้หมดมันเห็นชัดมรณะภัยมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องมายุ่งอะไรมันนะเป็นก็คือไม่ได้เป็นอะเป็นก็คือตายถ้าอย่างนี้ได้แหละใจมันจะจางคลายไปเยอะเลยเพราะอะไรเพราะการที่เราปรารถนาจะเป็นเนี่ยพอได้เป็นเราก็เหลืงนะอยากได้เป็นต่อแล้วก็ต้องอะไรละ ต้องวางตัวให้เหมาะสมต้องมีการเฉลิมฉลองอะไรม่รู้มันรุงรัง่ะนะรุงรังมากในะความเป็นทั้งหลายเราสังเกตมันจะรุงรังมากแล้วที่น่ากลัวคือกิเลสมันพิ่มตามที่ตนเป็นเนี่ยอันนี้อันตรายที่สุดเลยความเป็นพระเนี่ยมันมันทำให้จางคลายมันทำให้สงบเย็นในว่านาปานสติทั้งหมดแล้ลองสังเกตว่า สิ่งปฏิกูลไม่ปฏิกูรูนสิ่งมองเห็นสิ่งที่ปฏิกรูนมองไม่ปฏิกูลมองเห็นสิ่งไม่ปฏิกูลรูนปฏิกูลเนี่ยมันก็ยุ่งนะ่นะมันจะเกิดอะไรเกิดปฏิฆะคือไม่พอใจบางสิ่งแล้วพอใจในบางสิ่งก็สรุปว่ากิเลสมันก็ครอบครอบครอ บ, บงำใจทั้งหมดเลยแต่นี้ความอยากเป็นเนี่ยไม่ไม่ไม่ว่าอะไรก็ตามอะขึ้นมาอึดอัดอ่ะอึดอัดแต่พอได้ยินพระทำพูดเรื่องสัมมาสักอะไรอะไรมาอึดอัด อะไรวะพระเนี่ยเราก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดก็อึดอัดเราทาอะไรมันยุ่งอะไรมันนักหนาคือถ้าจะเป็นเนี่ยมันต้องมาแบบเขาเรียกอะไรเลื่อนลอยมาจากนาภาการเลยถ้าไม่งั้นไม่ต้องไปพว้ามันหรอกพยายามเป็นพระให้ได้เบ็ดน่าได้มากที่สุดคือสงบคือเย็นคือไม่เป็นฆ่าสึกอะไรกับใคร ถ้าได้ก็คือได้ก็ไม่มีอะไรถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็ไม่มีอะไรคือความเป็นพระนี่ต้องรักษาอย่างอื่นไม่ต้องไปรักษาไม่หรอกเพียงแต่ว่าในฐานะสังคมนี่มันเปิดโอกาสให้เราได้ทํางานมากจริงขึ้นเพราะสังคมมันมันเอาเหมือนกันนะเอาเรื่องเหมือนกันนะคือว่าที่จริงอย่างอาตมาเนี่ยมาบรรยายเป็นมาตั้งตั้งนานแล้วนะ แต่ว่าเราอยู่สนามเล็กๆอะ่ะไปพูดกับนักโทษไปพูดกับอะไรเนี่ยธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยขึ้นสนามใหญ่อพอเป็นพระโสดคนคณะพอตอนนั้นที่จริงมาจุกปยาโทมา ก, ก่อนอยู่ตั้งสองสามปีนะฮะมันก็ยังไม่ได้เข้าสนามใหญ่อะ่ะพอเป็นเจ้าคุณขึ้นมาเออแปลกก็ความรู้เราก็เท่าเดิมไมนะนเราก็ไม่ได้ไปเรียนอะไรใหม่ แต่ว่าสังคมเนี่ยมันก็ค่อนแข็งเล่นยากเพราะว่าเป็นกติกาเป็นเงื่อนไขของสังคมถ้าพระกอ่อพระขอเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีเขาก็เลยก็เอาตรงนี้เข้าไปสายเข้าไปแต่แน่นอนถ้าหากว่าพระใช้เป็นเครื่องมือในการสนองงานพระศาสนามันก็ดี่ะนะก็ะได้ไประโยชน์ปัญหาไม่ใช้ยังไงมากกว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงเพราะถ้าเรามองถึง เป็นรูปของคล้ายๆพระบรมราชองการนะครับอาราธนาก็ในหลวงนะว่าที่ว่าขอพระคุณโปรดรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอจิรอนอนุเคราะห์พระภิกษุสามนเณรในพระอ า, ารามโดยควรเถิดเนี่ยพระทัพพระราชรัจกรทั้งสามตรานะไม่ใช่ธรรมดา <c oughs> ก็แสดงวาท่าพระสนองงานตรงนี้ได้เนี่ยมันก็คือสนองงานพระราจาไต ในฐานะที่เราเป็นพระแล้วก็สนองงานของในหลวงในฐานะเราเป็นประสบนิกรของแผ่นดินสนองงานของแผ่นดินในฐานะเราเป็นราษฎรปัญหาว่าต้องใช้เป็นมีท่าทีต่อเรื่องเหล่าเ น, นี้ยชัดเจนถูกต้องเหมาะสมไม่ใช่ว่าไปเพิ่มกิเลสให้แก่ตัวเองพวกเหล่านี้ต้องลดกิเลสทั้งหมดในการเป็นทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามเป็นปีติเป็นสุขเป็นรายทั้งหมดเนี่ยกิเลสต้องลดทั้งหมด ตาไปเพิ่มกิเลสแล้วมันก็เรียกไปออกนอกทางแหละมันเหมือ น, นอะไรล่ะเมื่อคนป่วยนะรักษายาฉีดยาอะไรอะไรกันกินยาฉีดยากันสารพัดแล้วอาการซุดลงซุดลงก็ก็ไม่รู้จะรักษาทําอะไรแต่ว่ามันต้องมีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแต่ออุปมาคนป่วยนะอุปมาได้นะแต่ว่าในความจริงมันก็พูดดาเหมันกันเพราะว่าคนป่วยแล้วก็ ไม่หายก็ตายแลแต่นั้นเองมีอยู่สองอย่างห้าสิบห้าสิบพอเข้าโรงพยาบาลมันก็ต้องคิดห้าสิบห้าสิบเอาไว้เตรียมกายเตรียมใจเอาไว้ตายก็ได้นะฮะกลับก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรกลับก็วันหลังก็ตายนะฮะตายไม่ตายวันนี้ก็ตายวันหน้าเราได้ประโยชน์ทั้งสองเรื่องตายก็เออดีเหมือนกันตายตอนเนี้พอยังไม่ตายก็เออดีเหมือนกันไปทํางานต่อเราก็ไม่เดือดร้อนทั้งตายและทั้งอยู่แต่ว่าหาประโยชน์ จากการตายและการด่ให้ได้นั้นคือสารัฐำะของการครองชีวิตตามวิธีของพุทธิแท้จริงทั้งฝั่งเทลายแต่รุ่งพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจง ม, มีแด่ท่านผู้ฟังเหลายโดยทั่วกันสวัสดี